รู้สึกยินดีนะที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเสวนาธรรมยายธรรมเนื่องในวันไตยโลกวันที่13มีนาคมจำให้แม่นนะวันนี้วันที่13มีนาคมเป็นวันไตยโลกไม่ใช่วันคนพิการสากล บางคนอาจจะสงสัยวันไปโลกแต่เชิญคนที่มีร่างกายพิการมาพูดมันก็ละวันกันแต่ว่าผมก็พูดได้ทุกทุกงานะงานวันเอ็ดโลกก็ยังเชิญไปเลยสวดกงเต๊ะพูดหน้าศพก็เคยไปพูดมาแล้วเพราะว่าสภาพอย่างผมเนี่ยมันเข้าได้ทุกกลุ่มมันเหมือนกับคนได้ทุกกลุ่ม ไม่มีการแบ่งแยกแต่ว่าเรื่องที่จะพูดในวันเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกท่านเนี่ยควรจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติให้ได้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการลาออกจากความทุกข์มันน่าสนใจขนาดไหน มันเกี่ยวกับผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวแล้วเราจะบอกวิเทคนิควิธีการให้แล้วแต่ว่าเราจะนำเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกคนเนี่ยประกอบด้วยกายกับจิตชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมีองค์ประกอบสองอย่างคือกายกับจิต แล้วกายกับจิตเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์หนักหนาใหญ่หลวงแล้วก็ตามไม่เกินทุกที่กายทุกที่ใจแล้วก็กายจิตเนี่ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่น ว่ากายจิตก้อนนี้เป็นตัวเรามันจึงทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยสาเหตุสําคัญคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์เลยถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจว่าเป็นตัวเราของเราได้เมื่อไหร่เราก็ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นที่จิตใจเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของคน หลวงพ่อาชาทั้งกล่าวไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยื้อเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อย <c oughs> ต้นเห็นความทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นยึดถือมากก็ทุกมาก ยึดถือน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือการปล่อยวางถ้าปล่อยวางกายวางใจได้เมื่อไรแล้วก็ทุกทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ประเด็นสำคัญเลยความทุกข์คืออะไร <c oughs> ใครตอบได้ความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งไม่มีใครต้องการ ทำไมจึงเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นเพราะว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหน้าที่บีบคั้นบีบคั้นให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจทาให้เราทนไม่ได้มันจะเกิดความทุกข์บางทีทนได้มันก็ไม่ทุกข์นะคนที่มีความเข้มแข็งอดทนเนี่ยใจมันไม่ทุกข์หรอกแม้ร่างกายจะอยู่ในสภาพที่โรคภัยไข้เจ็บนะ หนักหนาสากันไดนถ้าใจมันทนได้บางทีมันก็ไม่ทุกข์ทางใจเหมือนกันไม่มีใครต้องการแต่ว่าในสิ่งที่คนเราไม่ต้องการเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้าเรามองในแง่ดีในสิ่งนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้มากขึ้นถ้าเราสามารถมองความทุกข์ในแง่ดีแล้วก็ความทุกข์เนี่ยมันจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ในตัวมันเองอย่าสมมุติว่า ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ดป่วยเนี่ยทุกทางกายเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีนะมันก็มีประโยชน์กับเรานะไม่ใช่ว่าความทุกข์เกสิ่งทําให้เราต้องเลวร้ายส่วนเดียวทําให้เราเกิดส่วนดีก็ได้อย่างน้อยความทุกข์เนี่ยที่เกิดจากการป่วยไขย้ความป่วยไข้เนี่ยสังเกตดีๆเลยมันช่วยทําให้เราฝึกฝนจิตใจให้รู้จักเข้มแข็งอดทน ความป่วยไข้ทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนแล้วก็รู้จักช่วยตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นการฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับความป่วยไข้ทนร่าร่างกายโดยที่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะเนี่ยคือแบบฝึกความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดจากความป่วยไข้เนี่ยไอ้ความป่วยไข้ที่เกิดขึ้นที่ตัวเราเนี่ยมันช่วยทำให้เราได้เรียนรู้ให้รู้ความจริง ถ้าเราได้เรียนรู้ได้รู้ความจริงของชีวิตถ้าเรามองความทุกข์ในแง่ดีเนี่ยเราจะบอกว่าการที่เราป่วยไข้านานๆเนี่ยยิ่งป่วยนานมันยิ่งดีถ้าเรามองความป่วยไข่เพื่อการเรียนรู้แล้วก็เราจะอยากให้ร่างกายป่วยไข่เนี่ยเออนานๆก็ดีนะจะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ความทุกข์เรียนรู้ความป่วยไข่ได้นานจะได้เห็นสัจธรรมของชีวิตความทุกข์ เป็นครูสอนทำได้ดีมากบุคคลที่เห็นความทุกข์มากๆบุคคลนั้นโทษผู้ที่โชคดีในทางธรรมเพราะว่าการเห็นทุกข์เนี่ยมีค่าต่อ ก, การเห็นธรรมตัวอย่างพระอริยเจ้าสมัยอดีตการนสมัยพุทธกาลเนี่ยหลายรูปหลายองค์ท่านบรรลุธรรมเพราะความทุกข์ทั้งนั้นเลย เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราสามารถมองความป่วยไข้ในแง่ดีเนี่ยแทนที่ไอ้ความป่วยไข้จะทาให้เราต้องเศร้าหมองส่วนเดียวแต่กลับทำให้เราได้เกิดสติปัญญาเกิดกาลังใจมันง่ายต่อการที่จะดูแลแล้วก็รักษานเนี่ยสำคัญนะถ้าเรามองเห็นไอ้ความทุกข์ก็ดีความ ป่วยไข้ก็ดีเนี่ยในแง่ดีเนี่ยมันจะง่ายต่อการแก้ปัญหาด้วยปัญหาทั้งหลายจะถูกแก้ไขได้อย่างง่ายดายถ้าเราฝึกที่จะมองปัญหาในแง่ดีสักบ้างอันนี้ผู้ตามประสบการณ์มันก็ไปอย่างนั้นไม่ปฏิเสธแต่ก็แก้ไขด้วยใจที่เป็นปกติได้อันที่จริงเนี่ยอย่างวันนี้เห็นเขาบอกว่ามีคนที่มีโรคภยยัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาก ร่างกายไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรนะฟังไม่เป็นแนวทางอันที่จริงเนี่ยไอ้ความป่วยไข้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะที่ร่างกายนะกายเท่านั้นที่เจ็บที่ป่วยไม่ใช่จิตใจนะกายเจ็บป่วยไม่ใช่ใจป่วยคนที่ร่างกายจะใกล้จะ ป, ป่วยแล้วจิตใจเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีสติน้อยไปหน่อย เราปล่อยให้จิตใจเนี่ยเข้าไปจมแช่กับความทุกข์ทันั่นร่างกายเลยซึ่งมันเป็นคนลส่วนกันแต่เราขาดสติปล่อยจิตใจให้ไปแช่ไปจมอยู่กับร่างกายที่มันป่วยไข้เนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วยิ่งเรายึดมั่นว่าร่างกายเป็นเราเมื่อไหร่ล้วก็เราก็ทุกข์หนักเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไร พอสติมันมาทันมันนําเอาปัญญามาแก้ปัญหานะสติมาทันในความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญญารู้ความจริงว่าไอ้ความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ร่างกายไม่ใช่จิตใจถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถปล่อยวางกายได้ทุกทางกายก็ไม่สามารถทําอะไรจิตใจได้นี้เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ทุกข์ มันต้องอาศัยสติปัญญาอันนี้สำคัญว่าสติมันจะมาทันหรือไม่ถ้าสติมาทันแล้วก็ปัญญาจะเกิดจะแก้ปัญหาได้สำคัญนะตรงนี้เนี่ยนี่จะทำไงให้มีสติมากๆ่ะยังไงต้องมีสติก่อนเครื่องมือสำคัญเลยในการแก้ปัญหาชีวิตต้องมีสตินำหน้าก่อนแล้วปัญญาจะตามทำยังไงจึงจะมีสติมันต้องมีการฝึก การฝึกสติตามหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าสติปัฏฐา น, นการฝึกสติเพราะว่าผลการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะผลก็คือสามารถที่จะก้าล่วงพน้นความโศกเศร้าความพิไรลำพันธ์เอาชนะความทุกข์กายและก็ทุกข์ใจได้ด้วยการจเจริญสติปัฏฐานตามหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเรามีทางออกแล้ว เราจะคิดเอาไม่ได้คิดเอาสติก็ไม่เกิดเราจะทําบุญสักมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้เราจะมีศีลหลายข้อห้าข้อแปข้อสองยบเจ็ดก็ยังดับทุกข์ไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากการภาวนาหรือการเจริญสติต้องมีการปฏิบัติเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้อันนี้สําคัญเลยต้องมีการปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไรมันต้องมีเครื่องมืออยากจะลาออกจากความทุกข์จะต้องมีการปฏิบัติธรรมหรือ เ, เรียกว่าการภาวนาก็ได้การภาวนาการทําจิตให้เจริญการภาวนาการทัปปิเจริญภาวนาอะไรสมรถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาเรียกเป็นรวมๆ ว, ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการภาวนา ภนาแบบไหนคือการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานเครื่องมือเราเนี่ยสามารถที่จะดับทุกข์กับใจเราได้ต้องมีอะไรบ้างต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าพระธรรมเนี่ยสำคัญที่พระธรรมนะเนี่ยพระธรรมคือธรรมะเนี่ยสามารถที่จะดับทุกข์ให้กับเราได้จริงเราต้องมีความเชื่อมั่นก่อน ถ้าไม่เชื่อมั่นเนี่ยอะไรก็ไม่สําเร็จไม่มีลูกฟุกต้องเชื่อมั่นว่าธรรมะเนี่ยสามารถดับทุกข์ให้กับเราได้จริงหลักวิธีการปฏิบัติคือสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเนี่ยสามารถดับทุกข์กับเราได้เราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเชื่อมั่นในหลักธรรมอีกประเด็นสำคัญก็คือต้องเชื่อมั่นว่าเราคนนึ่งละ ที่จะสามารถดับทุกข์ได้ต้องเชื่อเลยว่าเราต้องทําได้ด้วยเนี่แต่เราคิดอยากจะทําทแล้วก็อ๋อมันคงไม่ได้หรอกรับรองเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะทําแล้วก็ตามถ้าเราตั้งหลักมองว่าโอ้เราคงทําไม่ได้หรอกมันรับรองต้องทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะคิดว่าทําไม่ได้มันก็ไม่ทำํำต้องบอกว่าทำได้เราคนหนึ่งละ่ะทําได้ เรื่องดับทุกข์เนี่ยเราต้องดับทุกข์ได้เพราะเรามีสิทธิที่จะออกจากทุกข์ได้นะเป็นเรื่องของเราโดยตรงเลยเรามีสิทธิ์ที่จะลาออกจากความทุกข์ได้เราต้องตั้งใจแบบ น, นี้ก่อนเนีว่าศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกําลังใจนะถ้าเรามีความเชื่อมัน่นเราจะมีกําลังใจนะแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากเย็ก็แต่ตาม ถ้ามีกำลังใจเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเลยกำลังใจถ้าใจหมดกำลังเราก็มันไม่ใช้กายไปทำอะไรหรอกถ้ามีกำลังใจเนี่ยเดินไม่ได้มันก็จะเดินนะเดินไม่ได้กลางวันฝันกลางคืนก็ยังดีนะถ้ากลางวันท้อแท้แล้วกลางคืนมันไม่ไหวแล้วกำลังใจเป็นแรงผลักดันผลักดันเพื่ออะไรให้เกิดความพยายาม ให้เกิดการขยันให้เกิดความอดทนเห็นไหมกํ <c oughs> าลังใจตัวเดียวที่มันจุดพุจิตใจเราให้ขยันเนีอดทน <c oughs> อดทนเพื่ออะไร <c oughs> ในเรื่องการดับทุกข์ต้องอดทนด้วยการจะเลิญสติ <c oughs> <c oughs> เคยอินคํานี้ไหม <c oughs> จะเริญสติจะเล่สติในภาษาไทยเลยว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัว <c oughs> ภาษาธรรมก็ว่าจเจริญสติแต่ภาษาไทยก็รู้สึกตัวจเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพื่อจะเบิกเอาปัญญามาใช้ในการดับทุกข์นะมันต้องเป็นขั้นตอนมีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็มีกำลังใจนะเข้มแข็งอดทน ในการเจริญสติให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็ละออกจากความทุกข์นะจบอันเนี้ยเป็นเพียงทฤษฎีไหมมันต้องเป็นขั้นตอนแล้วเราเจริญสติแบบไหนอต้องไปวัดไหมต้องไปวัดตาสุกโตไหม <c oughs> ต้องมีหลวงพ่อคำเขียนมีอาจารย์ทรงศิลด้วยเหรอนะนะการเจริญสติเนี่ยเราทําที่วัดก็ได้ ทำที่บ้านก็ได้ที่โรงพยาบาลนี่ก็ได้ที่ไหนก็ทำได้เพราะสติเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเราไปที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นอยู่ที่บ้านก็บ้านเป็นวัดนยเห็นมอยู่ที่โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลเป็นวัดเอามาเป็นวัดได้เลยไหมคืออยู่ก็ว่าเราใช้สถานที่นั้นได้ถูกต้องแค่ไหนสำคัญที่ว่าเราให้เรามีสติสติต้งเจริญนะ ทุกท่านมีอยู่แล้วแต่ว่าสติที่ท่านมีเนี่ยมันยังดับทุกข์ไม่ได้ยังแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้สติคือความเราลึกได้ เ, เราลึกได้แล้วว่าคนนี้ชื่ออะไรนึกแต่ชื่อเขาดับทุกข์ไม่ไดเ้เราลืมกุญแจไว้ที่ไหนนึกออกแล้วอันนี้ไม่ใช่สติดับทุกข์สติธรรมดาอันนี้แค่จำได้ มันอยากดับทุกข์ไม่ได้สติกินข้าวสติง่วงนอนมันยังดับทุกข์ไม่ได้แหละมันเป็นธรรมดาเกินไปสติที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเป็นสติที่มองออกไปนอกตัวใช่ไหมรู้นอกตัวรู้แต่สิ่งภายนอกแต่ถ้าเป็นสติปฐานเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสติปฐานคือการกลับมาย้อนดูตัวเรานะ ดูกายดูใจกายเรากำลังทำอะไรใจเรากำลังคิดอะไรนี่เป็นสติปฐานคือมันต้องมีฐานมีฐานตั้งอยู่แล้วก็สติเข้าไปตั้งรู้เนี่ยการเจริญสติการเอากายเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งแล้วเอาใจเนี่ยเข้าไปรู้มันต้องอย่างนั้นกายตั้งใจเข้าไปรู้ต่างกันนะ กายทำหน้าที่นั่งใจเป็นผู้รู้เนี่ยเรื่องของกายนะดูกายเนี่ยเห็เราพลิกมือเล่นเนี่ยเราพลิกมือกายมันพลิกมือมันเคลื่อนมันไหวแต่ใจเนี่ยมันเป็นผู้รู้นะมันไม่ใช่อเดียวกันนะรู้ว่าไอ้กายกําลังเคลื่อนไหวใจมันรู้กายกําลังนั่งใจเป็นผู้รู้ กายกำลังยืนใจก็เป็นผู้รู้กายมันเดินใจมันก็เป็นผู้รู้คือมีกายเป็นฐานที่ตั้งเคลื่อนไหวในเยื่อโบต่างๆแต่ใจเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้อันเดียวกันนะใจเป็นผู้ดูมันต้องมีอย่างเี้ยมีฐานแล้วก็มีจิตเป็นผู้ดูจึงจะเป็นสติปัฏฐานจึงจะเป็นวิปัสสนาเราเคลื่อนไหวกระพริบตา กายมันกระพริบตากายมันกระพริบเคลื่อนไหวที่ตาแต่ใจเป็นผู้ดูมันแยกไหม <c oughs> ใจมันกระพริบไม่ได้แต่กายเนี่ยมันกระพริบได้ใชใจเป็นผู้ดูเราหายใจเข้ากายมันหายใจเข้าใจเป็นผู้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องของกายแต่ใจเป็นผู้ดูใ เราวางจิตวางใจเป็นผู้ดูเอาไว้เราจะเข้าไปเป็นกับกายที่มันเคลื่อนมันไหวมันขยับเนื้อขยับตัวมันเรื่องของกายแต่ใจเรื่องของใจคือเป็นผู้ดูดูไว้เถิดวางใจเป็นผู้ดูไว้อย่างเงี้ยปลอดภัยนะจิตกับกายมันก็แยกกันอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ดูแล้วก็หลวงพ่อพเขียนมาว่าเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยถ้าเป็นผู้ดูแลปลอดภัยเลยทุกอะไรก็ ทำอะไรจิดไอ้ที่เป็นผู้ดูไม่ได้ทุกมีเฉพาะกายแต่ใจเป็นผู้ดูวางใจเป็นผู้ดูแล้วเป็นผู้ดูแลจะเป็นวิปัสนาเป็นสติปัฏฐานเป็นวิปัสนาถ้าไม่มีผู้ดูแล้วก็วิปัสนาไม่เกิดยังดับทุกข์ไม่ได้ยังเป็นตัวเราอยู่นะเป็นผู้ดูดูเพื่ออะไรดูเพื่อรู้ความจริงของกายเนี่ยมันเป็นอย่างไร ดูกายจะเห็นอะไรก็เห็นเรื่องของกายเห็นกายทำไมเห็นกายที่มันแสดงความจริงความจริงของกายคืออะไรสวยเที่ยงสุขเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นหรือนะที่จริงของกายดูกายเห็นกายไม่สวยนะร่างกายเนี่ยไม่สวยใครดูกายสวยเด้ยดูกายผิดนะที่สวยไม่ใช่กายนะเห็นไหม กายมันมีอะไรมีของเสียออกมาเนะี่ยมีตาก็มีขี้ตานะขี้มูกนะน้ำลายขี้ฟันน้ำเงือน้ำหนองอุจจระพสวะมันสวยตรงไหนไอ้ที่สวยนะมันสวยปกปิดเราแต่งตัวฉาบทามันเพราะมันไม่สวยจึงต้องแต่งตัวมากๆนะเพราะไม่สวยต้องแต่งให้มันสวย เสื้อผ้าสวยๆนั้นบางคนบอกว่าเธอเนี่ยแต่งตัวสวยสวๆอีตอนไม่แต่งกงไม่สวยบางทีมันสวยปกปิดอย่างผมเนี่ยถ้าหากว่าถอดเสื้ อ, อ, อมานะเห็นร่างกายของผมนะโอ้โหจะเห็นว่ามันเหมือนคางคกตายรากมันไม่ผี่คางคกตายรากเลยมันผอมแห้งมันเป็นได้ทุกโรคที่เขาเป็น ไม่สวยที่สวยเพราะว่าเนี่ยมันมีเสื้อมีผ้าปกปิดอยู่กายไม่สวยหรอกถ้าใครมองกายสวยเนี่ยมองร่างกายผิดกายไม่สวยเพราะมีแต่สิ่งปฏิกูลแล้วกายเนี่ยมันไม่มีความสุขแบบมันมีแต่ความทุกข์ทุกของกายนี่มากมายทุกเกิดจากการบีบคั้นเห็นไหทุกคนเนี่ยไม่มีใครนั่งเฉยๆได้ต้องขยับไปต้องขยับมาทำไมต้องขยับด้วยทำไมต้องขยับ <laughs> เพราะมันเมื่อย ใช่ไหมไอ้ความเมื่อยเนี่ยมันบีบคั้นให้เราต้องขยับขยี้งเคลื่อนไหวทําไมต้องกระพริบตาทําไมไม่มองเป็นตาทําตามองแบบตาแข็งแข็งมองอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการอภิปตาเป็นการแก้ทุกข์ทำไมต้องหายใจเข้าทําไมต้องหายใจออกเมื่อหายใจไม่ได้ทําไมต้องมีเครื่องช่วยหายใจเพราะว่ามันมีความทุกข์มันต้องหายใจมันถูกบีบคั้นให้ต้องหายใจ ทำไมต้องขับถ่ายทำไมต้องทานข้าวเพราะมันหิวหิวแล้วมันต้องระบายออกทานเข้าไปต้องขับถ่ายออกมันมีความทุกข์ต้องแก้ไขทั้งนั้นเลยทุกบางอย่างก็แก้ไขแล้วไม่หายทุกบางอย่างก็บัรเท่าก็ได้ร่างกายแสดงแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทุกของกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบแต่เราต้องอยู่กับมันแต่ถ้าเรามีสติเนี่ย เป็นผู้ดูเนี่ยนะทุกของกายมันจะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ดูกายมันป่วยไปนะดูกายมันป่วยไม่一ง ก, กับดูคนอื่นป่วยมองได้อย่างนั้นไหมคนที่ทำพิปัสนาหรือเจริญสติเนี่ยจะเห็นแบบนั้นนะเห็นกายมันเกิดทุกขเวทนาแต่จิตเป็นเพียงผู้ดูเหมือนดูคนอื่นที่มันป่วยไม่ใช่เรานะมันเกิดการแยกและกายมันป่วยแต่ใจเป็นผู้ดู มันเกิดการแยกๆอยู่ดูแบบเชยๆวางใจเป็นกลางๆดูอยวงหา่างดูกายอยูองหา่างดูทุกขเวทนายู่หา่างบางทีเราต้องฝึกนะฝึกอยู่กับทุกขเวทนาทางกายโดยจิตใจเป็นไปดูซะบ้างถ้าเราไม่ฝึกความอดทนต ร, ตรงนี้นะ่ะทุกกายแค่นี้เราทนไม่ได้ทุกกายก่อนจะตายเนี่ยมันมันรุนแรงกว่านี้จะทนได้ไหม ฝึกไว้เจ็บปวดเล็กน้อยเนี่ยอดทนดูมาสักหน่อยทุกกายเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าเรามีสติเนี่ยทุกขเวทนาที่เกิดจากกายเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดทุกทรมานใจนะคนมีสติเนี่ยทุกขเวทนาจะไม่เกิดทุกทรมานใจแต่คนขาดสติทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความทุกทรมานเหมือนกันทุกขเวทนาทางกาย ถ้าใจไม่ทุกมันก็แยกกันอยู่แต่ถ้าขาดสติทุกเวทนากลายเป็นทุกทุกทรมานมันก็ทุกทั้งกายทั้งใจแล้วไม่มีใครช่วยใครได้มันต้รู้จักแบ่งแยกแต่เราต้องช่วยเหลือแล้วแก้ไขต้องแก้ไขมันทุกทางกายต้องแก้ไขมันต้องช่วยแก้ไขเวลามันปวดเมื่อยต้องขยับเวลาวก็กินนะ เวลาถึงเวลานอนก็ต้องนอนอให้มันพักผ่อนออกกาลังกายต้องช่วยมันแก้ไขเนี่ยจิตธรรมะที่ช่วยร่างกายแก้ไขให้มันอยู่ได้เป็นปกติป่วยไข้ก็ไปหาหมอเนีเราช่วยตัวเองไม่ต้องพาไปหาหมอให้ร่างกายมันไปหาหมอให้หมอช่วยแล้วเราต้องทำใจให้ถูกต้องให้หมอรักษาแล้วต้องวางใจใถูกต้องหายก็หาย ไม่หายก็ไม่เป็นไรต้องวางใจเป็นกลางไม้ก่อนอย่าหวังว่าหมอจะรักษา ห, หายเสมอไปถ้ามีความหวังแบบนี้ถ้าหมอรักษาไม่หายใจเราก็ต้องเป็นทุกข์ต้องวางใจเป็นกลางกลางหายก็จ้างไม่หายก็ไม่เป็นไรก็รักษากันต่อไปถ้าวางใจเป็นกลางอยงรับรองป่วยหนักสักแค่ไหนใจมันก็ไม่ทุกข์ลรักษาเท่าไหร่หายหรือไม่หายใจก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้แสดงว่ามีใจเป็นผู้ดู เนี่ยปลอดภัยมากเลยเพราะโรคบางอย่างเนี่ยมันรักษาแล้วหายบางอย่างรักษาไม่หายก็มีนะบางอย่างรักษาไม่หายมันเป็นเรื่องธรรมดานะร่างกายทุกคนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นโรคใดก็เป็นโรคหนึ่งนะอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยป่วยอะ่ะแต่ตะกรับการเป็นคนพิการ <laughs> ใช่ปะ ม, มันต้องเป็นโรคถ้ามีกายต้องมีโรค มีร่างกายคนไหนที่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บบ้างแม้ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องแก่แล้วมันก็ต้องตายอยู่เดียวเป็นธรรมดาเรามีหัวมันก็ต้องเป็นโรคหัวโรคหัวคืออะไรไม่ใช่กันหัวอย่างเดียวปวดหัวมีโรคหัวมีหัวก็ต้องปวดหัวมีหลังปวดหลังมีท้องมีเขา่า มีอะไรก็ต้องปวดต้องไปทุกข์กับสิ่งนั้นอะ่ะดีนะแล้วไม่มีเขาไม่มีหางอะ่ะถ้าเรามีเขามีหางเนี่ยมันต้องปวดเขาปวดหางใช่ไหมนั้นกายเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นเราอยากให้มันเป็นปกติมันก็เป็นอย่างใจเราอยากไม่ได้มันมาข้าบัญชาไม่ได้เห็นไหะ ม, มันไม่เคยเชื่อฟังเราเลยอยากเป็นมันไหมร่างกาย ลาออกดีไหมมันน่าลาออกไหมร่างกายมีแต่เรื่องทุกข์บีบคั้นแบบเนี้ยมันน่าลาออกไหมเนี่ยตอบด้วยความไม่มั่นใจเลยแล้วอยากจะออกจากทุกข์อะไม่ลาออกจากกายเลมยะบุตรก็จริงไอ้คาว่าลาออกนีนเมว่าทิ้งแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะผู้ที่ลาออกจากโรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ย <S <S เขาก็กลับมานะต้องกลับมาอาจจะล่อแลกกลับมาก็มี คือหมายถึงว่าเมื่อราออกจากร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ใช้กายเป็นประโยชน์สิเราเอามันมาเป็นทาสเราทุกวันเนี่ยร่างกายเป็นนายเราบางทีมันใช้เราต้องทำหน้าที่กับมันแต่เมื่อเราลาออกแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะเป็นอิสระแล้วก็จับร่างกายมาใช้ทำประโยชน์ใช้ทำความดีใช้ปฏิบททัติธรรมใช้ภาวนาไม่ดีหรือเราใช้บบาวเราเป็นนายนะใช้บบาวทำงานเนี่ย เมื่อมันทำงานไม่ดีล้วก็ตัดกินเดินมันเมื่อมันยิ่งเอ้าไล่มันออกใช่ไมมันต้องแบบนั้นหมายถึงว่าเมื่ออยู่กับกายแล้วต้องใช้กายเป็นประโยชน์แต่ถ้ากายมันไม่ไหวแล้วใจจ๋ากายขอลาก่อน่ะก็ต้องปล่อยมันไปทำชาปนกิจมันต้องแบบนั้นใจต้องเป็นนายเหนือกายอย่าไปยึดติดมันมันหน้าลาออก ถ้ายัางลาออกไม่ได้ก็ใช้เป็นประโยชน์ใช้มันทาประโยชน์โดยการมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเพื่อมันรู้ความจริงจะได้ลาออกเป็นผ้าคลุมนะเต็มอะไรก็ตามเมื่อมันป่วยไข้ก็ทำที่รักษาไปแล้วก็ทำใจนะทำใจไว้ไปกลางๆหายก็ช่างไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะโรคบางอย่างเนี่ยมันรักษาไม่หายอย่างเช่นใครเป็นโรคภูมิแพ้บ้าง โรคภูมิแพ้ทางด้านร่างกายเนี่ยบางทีมันก็รักษาไม่หายนะภูมิแพ้ทางด้านร่างกายเนี่ยแพ้อากาศแพ้ฝุ่นละอองแพ้อาหารแพ้ขนสัตว์เนี่ยบางทีมันรักษาไม่หายเดี๋ยวนี้ก็มีรักษาไม่หายก็มีอันนั้นแพ้ทางกายแต่เราไม่รู้หรอกเรามีการแพ้อย่างเราเป็นโรคภูมิแพ้ทางจิตนะ เห็นไหมโรคภูมิแพ้ทางจิตไหนคอยโกหกกับผมเลว่าไม่เคยเป็นมั้งโรคภูมิแพ้ทางจิตคือโรคแพ้อารมณ์แพ้อารมณ <c oughs> ์มแพ้ความคิดของตัวเองมีไหมโอ้นี่ไปนี่พานได้เลยคนที่รู้ว่ามีเนี่ยเวลาจิตมันปรุงแต่งเป็นอารมณ์รักเราเคยชนะอารมณ์รักไหม มันก็รักสุดขั้วหมดเนื้อหมดตัวไปกับความรักเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคือแพ้อารมณ์เนี่ยโรคภูมิแพ้นี้พาคนไปฆ่าตัวตายเหมือนกันนะพาคนไปทุกข์กรมากแล้วเพราะภูมิแพ้อารมณ์เนี่ยเมื่อที่มันเกิดความโกรธหงุดหงิดไม่พอใจเราเคยชนะมันไหมเวลามันโกรธโกรธลูกก็พอชนะได้หรอกแต่โกรธ ไอ้คนข้างๆเนี่ยมันเอายอมไม่ได้นะ <c oughs> มันแพ้อารมณ์โกรธก็ไปโกรธสุดขั้วหมดเนื้อหมดตัวด้วยความโกรธอีกฆ่าเขาทำร้ายเขาเนี่ยบางทีดุด่าว่ากล่าวเห็นไหมผลท้ายมันก็มีความทุกข์เพราะแพ้อารมณ์บางทีมันเกิดการวิตกกังวลอย่างเนี้นเนี่ยบางคนที่ร่างกายป่วยไข้ในวิตกกังวลนี่มันจะหายไหมเนาะถ้าไม่หายจะเป็นอย่างไร งานก็ทําไม่ได้เงินก็ไม่มีอารมณ์คิดที่มันปรุงแต่งเป็นความวิตกกังวลในอนาคตเนี่ยเคยมีบ้างไหมนั่นละแพ้อารมณ์แล้วนะบางทีเกิดการกลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่มีอารมณ์กลัวเกิดขึ้นมาเราก็แพ้อารมณ์กลัวบางทีอิจฉาเสยาเคยมีไหมอิจฉาเสยาแพ้อารมณ์อิจฉาเสยยา บางทีขี้ตนันีอารมณ์ตนีมีไหมอารมณ์หึงหวงมีไม้มน้อยเนื้อต่าใจมีไหมมีมากมายเพราะเราแพ้อารมณ์และแพ้ไปแพ้ผ่าเราติดอารมณ์ติดเป็นอารมณ์นั้นเนี่ยนั่นก็ลผลสุดท้ายคือเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติผู้ที่จเจริญสติเนี่ยไม่ใช่ว่าอารมณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะอารมณ์รักอารมณ์โกรธก็มีนะ เนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างคุณหมอประกรณ์เนี่ยท่านปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าท่านจะมีจิตแบบปลอยปลงไม่ใช่นะถ้าก็จะมีอารมณ์รักอารมณ์กโกรธเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่แพ้อารมณ์นะมีสติแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตสติเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตไม่ให้ติดอารมณ์ชนะอารมณ์ได้เพราะเกิดสติปับ๊บ มันก็เวลามีอารมณ์มาปรุงแต่งอารมณ์รักโอบกดลงวิตกกังวลหวาดระแวงอิจฉาเสียยาขึงห่วงสารพัดอยา่างมันปรุงขึ้นมาสติมันรู้ทันรู้ทันแนอารมณ์ปัญญาก็มาปล่อยวางเลยว่าไอ้นี่เชื่อไม่ได้ไออารมณ์แบบเนี้ทําให้เราเป็นทุกข์อารมณ์แบบเนี้เรามาคับบัญชาอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดเห็นความไม่เที่ยงของจิต เห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิตท huh> ี่มีปัญญาแล้วเห็นความจริงแบบเนี้มันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นใช่เห็นความหลอกลวงของอารมณ์เนี่ยมันไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็ปล่อยวางเนี่ยมันลาออกจากความทุกข์ของจิตที่มันปรุงแต่งได้ถ้ามีสติจารสติแล้วมันเกิดปัญญาเห็นการปรุงแต่งของอารมณ์แล้วมันปล่อยวางได้เห็นความจริงของมัน มันก็ลาออกจากจิตเราออกจากความคิดเราออกจากอารมณ์ได้นะเพราะงการสึกสติบ่อยๆเนี่ยจิสติมากๆเนี่ยทำให้จิตมันเข้มแข็งมันรู้ทันอารมณ์แล้วมันนำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหารู้ความจริงของจิตรู้ความจริงของกายว่ามันไม่เที่ยงมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจเรามันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกมันมีแล้วมันก็หายมีแล้วมันก็หายเชื่อมันไม่ได้ มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวมันก็ปล่อยวางมันไปจิตมันก็ไปอิสระนะเพราะนั้นสําคัญนะนยถ้ามีสติรู้ทันเราก็มาเอาชนะอารมณ์หนี้ได้ไม่แพ้อารมณ์แล้วมันมีกําลังใจจิตใจมันเข้มแข็งสติสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนผมจะจะเดินทางมาที่เนี่ยเมื่อทิฏฐิแล้วเนี่ยมี คุณหมอท่านหนึ่งพาสองสามีภรรยาชาวเยอรมันมาหาผมที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมผู้ที่มีปัญหาคือสามีที่เป็นชาวเยอรมันผู้ชายนะอายุประมาณหกสิบห้าปีเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหนังสือแปลภาษาอังกฤษและเป็นนักกีฬาด้วยรูปร่างใหญ่โตมากเป็นนักกีฬาด้วยแต่ เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งหมอไม่มีทางรักษาได้คือกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่แต่ว่าความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆที่จะทําให้เขาหมดแรงไปอย่างชา้าๆทุกวันทุกวันเขาเป็นทุกข์มากภรรยาเป็นผู้ที่ดูแลอยู่เขามีความท้อแท้หมดกําลังใจนะ จิตไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นโรคภูมิแพ้ะทาด้านจิตใจเมื่อมีโรคทางกายคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้จิตใจเนี่ย อ, อ่อนแรงไปด้วยกล้ามเนื้อใจก็อ่อนแรงกาย อ, อ่ อ, อนแรงใจก็ อ, อ, ก อ, อก่ อ, อนแรงเป็นทุกข์มากติดอยู่ในความคิดความคิดเก่าๆเดิมๆหลงคิดแต่เรื่องอดีตกังวลแต่เรื่องอนาคตเขาจะทำยังไงดีเขาเป็นทุกข์มาก ไม่เปิดใจด้วยคุณหมอพามาก็มาคุยกันโอ้เห็นใบหน้าก็รู้แล้วอ๋อนี่ในภาษาไทยเรียกว่าบอกบุญไม่รับพอบอกให้ทาบุญเนี่ยอ๋อไปข้างหน้าก่อนเลยนี่แต่ว่าเขาไม่เปิดใจนะเขาบอกว่าเขาเป็นทุกข์มากเขาเป็นนักกีฬาเดี๋ยวนี้เขาเล่นกีฬาไม่ได้เขาเคยเป็นครูสอนหนังสือเขาไปทำงานไปสอนหนังสือไม่ได้ เขเป็นทุกข์มากชีวิตเขาทำยังไงดีท้อแท้บอกําลังใจเนี่ยพราะเขาหลงติดอยู่ในคุกของความคิดคุกของความคิดมันขังติดขังใจหมดอิสรภาพเลยร่างกายก็เป็นทุกข์ใจก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยมาข อ, อกําลังใจผมเลยให้กําลังใจแนะนําไปว่าก็พูดในเจให้กําลังใจนะน เ, เ, จจนะเนี่ยต่อไปก็จะชวนให้เขาปฏิบัติธรรมบอกว่าคุณเนี่ย ร่างกายแม้ว่าจะไม่ดีนะจะไม่ปกติแต่คุณมีสติมีปรรัญญามีสมองที่ดีอยู่คุณมีส่วนดีมากในชีวิตและส่วนที่ดีเนี่ยไม่ใช่ร่างกายจิตใจมีคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายเมื่อจิตคุณดีเนี่ยคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ใช้ร่างกายไปทำอะไรก็ได้ถ้าคุณเล่นกีฬาไม่ได้คุณก็ปรับกีฬานให้เหมาะกับสภาพกับร่างกายของคุณสิ นะจะไปเตะฟุตบอลมันเดินไม่ได้แล้วก็เล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายขอยงคุณคุณไปสอนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คุณทําบ้านคุณนี้เป็นโรงเรียนซะให้คนมาเรียนที่บ้านเห็นไ่มเปิดโรงเรียนที่บ้านคุณก็นอนสอนก็ยังได้นะเนี่ยผมมาที่เนี่ยมาที่โงงรงพยาบาลสตินเนี่ยผมก็นั่งพูดแต่ผู้ที่ชมรมเด็กผมนอนพูดมันตีอยู่ในห้องน้ําไอ้คนร้องหน้าก็คุยกัน แล้วแต่ว่าเราจ ะ, จะปรับสภาพกับงานให้เหมาะกับตัวเรามันทำได้เพราะสติสมองเราดีอยู่ร่างกายไม่ดีก็ไม่เป็นไรสองอันที่ว่าร่างกายดีแต่สมองไม่ดีเนี่ยมันสร้างปัญหาร่างกายดีแต่จิตผิดปกติเนี่ยมันสร้างปัญหานะคุณปรับงานให้เข้ากับชีวิตคุณสิคุณก็จะใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาได้คนที่มีอาชีพเป็นครู และก็สอนหนังสือร่างกายปกติเป็นครูร่างกายปกติและสอนหนังสือตามธรรมดาเนี่ยมันมันไม่แปลกอะไรคล้ายๆก็ทําได้แต่ถ้าคุณเป็นครูโดยร่างกายไม่ปกติเนี่ยโอ้คุณจะมีชีวิตที่โดดเด่นเหนือธรรมดานะ <c oughs> มันจะไม่ธรรมดาคุณลองทําดูถ้าทําดูจะรู้ว่าคุณได้มีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดอีกซ้ำไปถ้าก็ลองทําดู หนายังบอกบุญไม่รับเหมือนเดิมอ๋ออะถ้างั้นลองปฏิบัติทําดูเนี่ยลองเจริญสติอลองฝึกขยับมือให้รู้สึกตัวให้ไม่สติก่อนเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยก็จะมัวแต่หมกมุ่นในความคิดเก่าๆอะติดอยู่ในความคิดอะหลงแต่ความคิดตัวเองอะบนคือการเจริญสติจะเป็นการดึงจิตดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้มันจะได้ไม่ไปความคิด คนที่เป็นทุกข์เพราะความคิดเพราะขาดสติอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหยปล่อยกายไปคิดฟุ้งซ่านเลยให้ก็มาทำเคลื่อนไหวมือให้มีสติเขาทำก็แก๊ก้งแ ก, กผมก็ทำให้ดูตัวอย่างผมยังไม่เลิกทำนะแต่เขาเลิกทำแล้วอ๋อแต่ว่าเขาไม่สนใจออ ก, การปฏิบททัติธรรมแต่เขาอยากพ้นทุกข์แนะนำเท่าไหร่ก็ยังปิดใจหน้านิ่วขี้ขมด เป็นฝรั่งที่หวัวด้วยเองหน้าบอกไม่รัดเลยเนี่ยเยพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตปล่อยจิตใจไปกับความคิดมันก็เป็นทุกข์ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเราต้องรักษาจิตใจเป็นปกติไว้ก่อนละโมวแต่ไปจมแช่ ย, ยับความทุกข์กับอดีตเนี่ยมองแต่อดีตเนี่ยฮะมันก็มีแต่ความท้อแท้ใจเนี่ย ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ยอมรับนะ <Yeah. S 1> ไม่ยอมรับว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ไปโทษเรื่องนี้วิธีความท้อแท้มกกหมดกำลังใจเสียเวลามันซ้ําเติมตัวเองทําไมสู้เรามาตั้งสติมองในแง่ดีและคิดหาทางออกด้วยการปฏิบัติธรรมดีกว่ายังสามารถเปลี่ยนจากร้ายกับกลายมาเป็นดีได้ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องของ ปัญหาชีวิตก็ดีความทุกข์ก็ดีนี่เป็นสิ่งเดียวกันปัญหาความทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันความทุกข์เนี่ยมันจะมีหนักหนาสักแค่ใดเนี่ยมันไม่สำคัญถ้าว่าเราวางจิตวางใจอย่างไรทุกข์มากแค่ไหนไม่สำคัญ่เราวางจิตใจอย่างไรถ้ามันเกิดความทุกข์เกิดปัญหาถ้าเรามองความทุกข์ในแง่ร้ายทำใจให้เป็นทุกข์โดยเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ซเอง มันก็มีแต่ความท้อแท้ใจทุกน้อยก็จะกลับกลายเป็นทุกหนักเพราะเราวางใจไม่ถูกแต่เวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเปลี่ยนไหมนะมองความทุกข์ในแง่ดีวางใจมองทุกข์ในแง่ดีโดยการคิดหาทางออกดีกว่าไปเศร้าหมองหาทางออกโดยการเอาความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมาเรียนรู้ซะไม่ต้องไปหาตำราที่ไหนเอาทุกข์นี่มาเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัตนะิธรรมเนยคือเจริญสติตามหลักธรรมคาสอนนี่แหละพเพราะเจริญสติมาม่นจะเกิดภาวะที่เป็นผู้ดูขึ้นมาเพราะผู้ดูเนี่ยมันจะดูอะไรดูกายดูใจจนเห็นความจริงว่าโอ้ยกายใจนี่มันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ทุกข์บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกถ้ามันเป็นตัวเรามันก็เชื่อเราสิเดีย๋ยวไม่เคยเชื่อเราเลยไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ ไม่อยากให้มันป่วยมันก็ป่วยไม่อยากให้มันตายมันก็ตายมองเห็นมันโดยความเป็นจริงเนี่ยมันก็เบื่อหน่ายพอรู้ความจริงแล้วเบื่อหน่ายเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจิตมันก็ปล่อยวางแล้วก็ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วกับผู้อื่นเมื่อมันต้องตายก็ปล่อยให้มันตายไปเมื่อมันป่วยก็รักษาไปเมื่อถึงกาลตายก็ตายไปใช่ไหมใจเราไม่ไปยึดติดเนี่ยจิตมันก็เป็นอิสระ จิตที่เป็นอิสระเนี่ยถือว่าเราได้บริหารจัดการกับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องจิตใจันเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระนั้นคือจิตที่ลาออกจากความทุกข์แล้วถ้าจิตมีทุกข์เนี่ยมันไม่อิสระเลยมันก็เครียดอยู่เรื่อยเพราะนั้นทุกท่านเนี่ยต้องพากันมาลาออกจากความทุกข์ะเนี่ยวันนี้ผมมาชวนมาทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมเพื่อชวนท่าน มาลาออกจากความทุกข์เพราะว่าทุกข์เนี่ยถ้าเรามัวเป็นทุกข์อยู่มันลาสมัยแล้วความทุกข์มันลาสมัยแล้วเราล้าออกนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ให้เป็นความทุกข์มันไว้ให้ล้าออกเราจะลาออกจากความทุกขน์นั้นก็ต้องเจริญสติเนี่ยตามหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนาคือเจริญสติปัฏฐาน<ๆ>เพราะว่าผลของการเจริญสติปัฏฐานนั้นผลออกมาก็คือ ถ้าทําถูกต้องนะเนี่ยมันจะมีผลคือมันจะก้าล่วงความโศกเศร้าความพิลไยลําพันธ์ก้าล่วงความทุกข์กายทุกข์ใจได้ก็เป็นอิสระสบายเลยเนี่ยก็มาทําหน้าที่นะเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมนะที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินมันลบภาพเก่าๆเดิมๆไปเยอะสมัยก่อนผมเป็นคนไข้เนี่ยพอเข้าโรงพยาบาลก็เจอเจ้าหน้าที่ เจอคุณหมอนบอกบุญไม่รับมีสภาพเรียกว่าไม่พร้อมจะทำงานนะมาทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยคือมาทำบุญมาทำงานเพื่อการทำบุญนะได้บุญทุกวันแต่เขาไม่เข้าใจในบุญใจเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าการมาทำงานคือการทำบุญเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เคยไปดูไปเห็นมาสมัยที่เป็นคนไข้นแต่ละคนนี่ยหน้าทงสารบางคนก็หน้างอ รอนานบริการไม่ดีเห็นบ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันลบภาพนั้นไปเลยนะ <S <S> <S <S> <S> ผมไปโรงพยาบาลไหนเนี่ยก็ก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยนะอย่างเนี่ยอย่างวันนี้มาที่โรงพยาบาลสลิน์เนี่ยโอ้ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเนี่ยไม่ใช่ภาพเก่าๆไม่เห็นจันหน้างอรอนานบริการไม่ดีเลยแล้วตอนเราไม่เห็นก็ไม่รู้แต่พอไปเจอเนี่ยโอ้บริการดีรอผมนานแต่ก็บริการดีด้วยนะโอ้เนี่ยแล้วยิ่ง วันนี้ก็บริการดีมันเปลี่ยนภาพจากหน้างอรอนานบริการไม่ดีมาเป็นยิ้มสวยถามไถ่เต็มใจบริการ <Okay. S 1> อ่าจุดยอดสุดท้ายเลยนะเนีย่ยวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มาร่วมทําบุญกับคุณหมอประกรณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่สนใจทุกท่านหวังว่าการพูดในวันนี้นี่คงจะเป็นแรงบรรดาใจให้ทุกท่านเนี่ย ได้มีกำลังใจมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อนำพาจิตใจให้ลาออกจากความทุกข์ได้สำเร็จทุกๆคนแล้วก็ได้พบกับความสุขอันไพบูรด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ